ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฝึกทำสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับรุนช่วงของจิตตะวิเวกในตู้นาคารประมาณ60นาที ธรรมบฟังที่เราจะมาฝึกทำสมาธิไปด้วยกันวันนี้เราจะฝึกด้วยวิธีการตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงค์คือเจริญรัตนะสามประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติและสังคานุสติพุทธโทธธรมโม สังโคธมฝังสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เราส่งจิตไปตามกระแสของพุทธโทธธรรมโมสังโคเป็นสัมมาสติการที่เรามารู้ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสง เป็นสัมมาสติวิธีการที่เราจะระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆนั้นทำอย่างไรคือทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเลยคุู้ฟังสามช่องทางไปพร้อมๆกันไปด้วยกันจริงๆแล้วบางท่านก็อาจจะได้เคยสวดในบทที่เราระกถึงประพุทธประมํมประสง์ นัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสรณังวรังพระบุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเท่านั้นเลยท่าู้ฟังอย่างอื่นไม่มีนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ธรรมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเท่านั้นเลยนะทุกฝังนะอย่างอื่นไม่มีนัตถิเมสรณังอัยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ของกับเจ้าเท่านั้นเลยนะทุกฝังยังอื่นไม่มีเวลาที่เรามีความเศร้าความโศกความเสียใจความเดือดร้อนเราต้องหาที่พึ่งนะเึ่น้าบอกว่ า, วาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็าาไปพึ่งหมอพึ่งพยาบาลใช่ไหมละ่ะ ไปคลินิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมปวดท้องปวดหลังปวดเอวปวดหัวปวดไหล่ปวดา้าเป็นโรคอะไรหลายหลายอย่างไปถึงปุ๊บหมอก็บอกโอ้คุณปวดท้องมานี่อ่ะเป็นที่ตับนะไม่ได้เป็นที่กระดูกหมอนี่เป็นหมอกระดูกโอ้รักษาให้คุณไม่ได้ละคุณไปหาหมอตับซะไปหาหมอตับหมอตับก็ตรวจ ด, ดูโอ้ จริคุณเป็นที่ตับเนี่มันมาจากน้ำเหลืองนะเออแต่ว่าให้คุณไปหาหมอน้ำเหลืองอะไรกันก็ต้องไปพึ่งหมอน้ำเหลืองอีกพอไปหาหมอน้ำเหลืองหมอน้ำเหลืองบอกโอ้ที่คุณเป็นที่น้ำเหลืองเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมันมาจากไตนะเอาก็ไปหาหมอไตด้วยคือปวดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็ไปหาหมอนั้นแล้วเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับอาหารด้วยนะ ก็ไปหานักโภชนาการอีกโอ้สุขภาพจิตนี่คุณแย่แล้วเนียไปหาจิตแพทย์ด้วยนีย่คือหาที่พึ่งไงตั้มบ่ฝังหาที่พึ่งเม่เจอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการงานด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปพึ่งซัพพลายเออร์คู่ค้าคนนี้เดี๋ยวต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้ต้องไปพึ่งราชการตรงนั้นคือหาทางออก ของปัญหาที่เราเจอแน่นอนผู้ฟังว่าเอาเรื่องโดยในชีวิตประชาชนของเราทั่ ว, วไปเนี่ยเราก็ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกต่อไปนี้คือที่พึ่งอันสูงสุดเขาใช้คําว่าสรณะสารณะหมายถึงที่พึ่งสารณะหมายถึงที่ที่เราจะไปมาจากสารท คือการไปตรงนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันมีปัญหาแล้วจะทำยังไงต้องไปหาใคร ส, สักคนใดคนหนึ่งแลีแ่เขาจะมาช่วยเราได้ไอ้คำว่าที่พึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างจำบ้งังคือที่พึ่งที่เป็นแบบสรณนะกับที่พึ่งที่เป็นแบบนาถาอนาถาไงอย่างที่พึ่งของคนยากไร้คนอนาถาอนาถานี่ก็คือคนไม่มีที่พึ่ง คนไม่มีที่พึ่งจะทำยังไงก็ต้องหาที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งเนี่ยก็เรียกว่าคนอนาถาที่พึ่งแบบนาถาเนี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าต้องการความช่วยเหลือต้องการการอุปการะต้องการการสนับสนุนคือไปขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้ได้ในขณะที่ที่พึ่งแบบสารณะคือที่พึ่งสูงสุด เป็นลักษณะที่ว่าทางที่เราจะต้องดําเนินไปสิ่งที่เราจะต้องทําไม่ได้ไปขออะไรใครมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกระทําเป็นทางที่เราต้องเดินลักษณะศาสนาเนี่จึงเป็นที่พึ่งอันสูงสุดคือมีใช้กันอยู่ในสองในยะนี่แหละท่าฟังในพระพุทธศาสนาจะใช้ในย่าไหนก็ได้ท่านฟังให่านผู้ฟังเข้าใจถึงความแตกต่างในบริบทของคําศัพท์ทั้งสองนี้ เราเอาหมดจำบ้างเอาหมดทั้งที่พึ่งที่เป็นแบบนาถาคือขอเอาต้องการได้และที่พึ่งที่เป็นแบบสารณะคือเราต้องดำเนินไปใช้งาน take action เอาหมดจำบ้ังเพราะอย่างอื่นมันไม่มีสารณะของเราเนี่ยทุกฝั่งจะเศร้าหมองนะถ้าเรามีที่พึ่งอื่น ที่ไม่ใช่ประพุทธประธรรมและประสงค์เช่นบางค น, นมีจตุกา ร, รามเทพเป็นที่พึ่งมีพระอินทร์เป็นที่พึ่งมีเท้าเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งมีพญานาคเป็นที่พึ่งคือพระพิฆาพย า, า, พ า, ายามจะอธิบายในคําว่านัตติเมสารนางอันอย่างซะก่อนนะเพราะว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการจะตั้งจิตขอเรอาไว้ในที่นี้ท่ฟังใค ร, ร้ควรพิจารณาตามไปตั้งสติระลึกถึงเอาไว้ที่พึ่งอื่นไม่มีในที่นี้ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงที่พึ่งอันสูงสุดไม่ได้ทั่วๆวไปอย่างว่าคุณนิ้วข้าวอะ่ะกุณลองไปพึ่งร้านค้าพึ่งแม่ค้าพึ่งแม่บ้านเราบ้างให้ทำ ข, ข้าวให้ แม่แม่ทำกับข้าวให้กินหนอยหนูหิวข้าวก็วากันไป น, นั่นคือเป็นที่พึ่งลักษณะท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับลูกโคยังไม่อย่านมแม่เธออันตรายอะไรตกใจกลัวหรือหิวนมหิวข้าวก็ไปหาแม่การไปหาแบบนี้คือสารณะมีแม่เป็นที่พึ่งนั่นแหละ ทั่วๆไปธรรมดานี้เราก็แก้ปัญหาไปหรือทำไปเฉพาะหน้าไปตามการงานไปแต่ที่พึ่งอันสูงสุดเลยที่จะให้เราพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรมพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ไม่มีโอกาสนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยนอกจากพุทธโธธรรมโมสังโฆท่านผู้ฟังฟังสามคำนี้แล้วให้มันซึ้งลงไปคือซึมลงไปซึมลึกลงไปในจิตใจของเราซึ้งอินประสาอังกฤษกขเรียกซึมลึก แทรกซึมเข้าไปในทุกอนูจากขุมขนของเราทะลุผ่านผิวหนังผ่านโถดประสาทผ่านทุกสายเส้นผมทุกเซลลเข้าสู่จิตใจของเราว่าพุทโธธรรมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานะ แถ้าเรายัางจะไปเอาภูเขาบ้างท้องฟ้าบ้างทะเลบ้างเทพองค์นั้นบ้างเจ้าองค์นี้บ้างหัว น, นี้จะเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะอะไรนั่นจะเป็นความเนิ่นช้านั่นจะเป็นความเศร้าหมองเพราะจตุกา ร, รามเทพทาเวสุวรรณพญานาค เทะเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่เขายังต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังเป็นผู้ที่ต้องการด้วยบุญยังเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งอาสวะอยู่คนต้องการบุญนะทุกฝังทําบาปก็ได้นะเพร้อมยังไม่เหนือบุญยังไม่เหนือบาปไงแต่พุทธโธธรมโมสังโกฟังไว้ให้มันซึ้งนะทุกฟังนะ ฟังไรมันทราบซึ้งซึมลึกเข้าไปเพราะทั้งสามอย่างนี้เป็นผู้ที่เหนื่อแล้วจากบุญและบาปสมมุติว่าไม่ลองเอาใครมาเขาเพ่งหัวหน้าเราอย่างนี้ปนเป็นต้นเฮ้ยคุณมีปัญหาเรื่องการงานการงานอะไรเงินเดือนไม่ขึ้นโอ้ก็ไปหาหัวหน้านี่ท่านคุณเพิ่มเงินเดือนให้ผมให้ฉันหน่อยสิผมมีขาเป็นที่พึ่งใช่ปะก็บอกอะไร จะมาขอเงินเดือนเพิ่มไม่ได้นะโกรธเราได้อีกโอ้ยงั้นฉันไม่นับถือเธอละเธอไม่ช่วยฉันเลยเป็นที่บึ่งให้ไม่ได้ฉันย้ายบริษัทดีกว่าย้ายบริษัทบางย้ายหัวหน้าบางเออพอย้ายหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าทันทีเลิกนับถือกันใช่ปะเขโกรธเราได้นะหัวหน้านี่อ้าวทำไมโกรธได้อะก็ยังไม่เหลือบุญยังไม่เหลือบาปไงยังเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งบาปอยู่ เราตั้นคืออะไรคืออาสวะคืออาสวะบีบบังคัาให้จิตใจเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าสำหรับพุธโธทโทรทำโมสังคโคนะทรรมบุฟังวันไหนเราไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ลืมลืมวันนี้ลืมเมื่อวานก่อนก็ลืมนึกถึงแล้วก็นึกถึงอย่างอื่นไปด้วยธรรมฟังคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะโกรธเราป่ะจะแช่งให้เราได้ไม่ดีป่ะหรือว่าจะคิดตำหนิติเตียนเรารป่ะไม่เลยนะทุกฝังนะเพราะว่าทั้งองสามเนี่ยเป็นผู้ที่เหนือแล้วจากบุญเหนือแล้วจากบาปไม่มีส่วนของอาสวะที่จะมาเศร้าหมองคอยแปเปื้อนไปตามการกระทาของใครของใครคือมีความมั่นคง มีความหนักแน่นมีความสว่างสวยัยเป็นหลักได้เป็นหลักใชยได้เป็นที่พึ่งได้เป็นเสาเกลือนเสาหลักของเราได้นี่ให้ตัมบูฟังก็งให้กุโรนตามไปนะเพราะว่าต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมมติเทพเทวดาองใดวงหนึ่งก็ไม่ต่างจากคนนี่แหละตัมูฟังก็คือเป็นบุคคลที่ยังอยู่ในบุญอยู่ในบาป ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นพรหมนี่คือจตุกรรมรามเทพหรือจะอยู่ในชั้นปรินิมิตาสวัสดีหนึ่งคือพยามานหรือจะอยู่ในชั้นดุสิตคือโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งหรือจะอยู่ในชั้นดาวดึงคือเทา้าวส ก, กเทวราชหรือจะอยู่ในชั้นชาตุมหาราชิกาคือพญานาคบ้างท้าเวสุวรรณบ้าง คนทันบ้าเรงต่างเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่ยังอยู่ในระบบของบุญระบบของบาปอยู่บุคคลต่างๆเหล่านั้นก็ยังต้องการที่พึ่งอื่นอีกที่จะให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆในสังสารวัตนี้บุคคลเหล่านั้นเราดูไงพระอินอย่างไงอา้าวก็มีประภูตประธรรมประสองอ์เป็นที่พึ่งท้าวเวสสุวรรณ เป็นผู้ที่รักษาศีลห้าเคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ยองค์ปัจจุบันเนี่ยท้าวเวสสุวรรองค์ปัจจุบันนี้ยเพราะว่านี้คือเป็นตําแหน่งนะใครจะมาเป็นตําแหน่งนี้ก็ได้ถ้ามีความสามารถในฝ่ายของยักษ์ของพญายนาคก็เหมือนกันแต่ก็ต้องมีความสามารถมีคุณธรรมบุคคลเหล่านั้นก็กอรักษาศีลฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสก อุปาศกหมายถึงบุคคลที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงบุคคลล่านั้นก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพุทธโธธรรมโมสังโฆเหมือนกันเพื่อทีใจ้หลุดพ้นออกจากกองทุกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปพึ่งบุคคลเหล่านั้นเพื่อพ้นจากกองทุกเนี่ยมันไม่ถูก เอาต้นฉบับเลยเอาที่ยอดเลยเอาที่แรกเริ่มเดิมทีของจริงของแท้คือพุทธโธธรรมโมสังโฆประพุทธประธรรมและประสงค์ที่พึ่งอย่างอื่นที่จะให้พ้นทุกข์ไม่จำเป็นคือมันไม่ได้และจขอกมดุณัตตผู้ฟังมันมักจะแล่นดิ่งไปสุดตรงสองอย่างจะรักษาให้มันกลางๆนี่ มติมันยาสุดตรงข้างหนึ่งเราก็จะเออเอาเทพเทวดาองนั้นองนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งนี่ก็คือว่าขอให้ลูกพ้นทุกข์ขอให้ลูกถูกหวยขอให้ขายของได้ขอให้โรคภัยไข้เจ็บหายขอให้มีความปลอดภัยนั่นนี่เพราะมันหมดทุกอย่างแล้วเทพเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยทำฟังว่าไม่ใช่ว่ารับคำขอจากเราคนเดียวป่ะใช่ป่ะ ไอ้ที่ว่าอยู่ต่อหน้ า, ราพระพุทธรูปหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั้นโอ้โหแต่ละคนก็จุดธูปเราเราก็เสียงเสียมซีแล้วก็โยนสิ่งนั้นสิ่งนี้อธิษฐานกันเนี่ยบางคนนี่มีกระดาษเป็นลิสต์เลยนะรายการนี่เจ็ดปดอย่างมีลูกกี่คนก็ขอให้ลูกคนละสองอย่างทุกคนยังตัวเองอีกห้าหกอย่างแล้วคนนั้นก็ขอด้วยคนนี้ก็ขอด้วย รายการลิสต์วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอบานเลยนะขอโทษนะแต่ทุกคนมันจะสมหวังอย่างที่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็คงจะดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่ามผฟังในโลกนี้มันไม่ได้ทํางานอย่างนี้เพียงแค่ขอแล้วมันจะสําเร็จได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรถ้าทุกอย่างจะสําเร็จได้เพียงการอ้อนวอนเพียงการกรร้อง แต่อะไรทูกฟังหลักการมันเป็นยังไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกามุนาวตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทำของเราถ้าลําบังเพียงแต่อ้อนวอนขอร้องแล้วงอมืออยู่งอเท้าด้วยงานการไม่ทํามันจะมันจะดีขึ้นมาได้บลางหรือขอให้หายจากโรค แต่ก็ยังกินของสแสลงอยู่หวานหวานเค็มเค็ ม, มนี่แม่ชอบดีนะมันจะหายได้ไหมละ่ะไม่ออกกำลังกายไม่ออรู้จักบริหารร่างกายหเหมาะสมหรื อ, อยังโกรธยังเกลียดยังอารมณ์ขึ้นลงเหมือนไม่ได้ลนะ่ะทุกวังคือเหตุปัจจัยมันไม่มีการกระทธรรมคือเหตุคือปัจจัยคือเงื่อนไขนั่นคือกรรมแต่บุคคลทุกวันนี้ที่ว่า ถือเอาสิ่งอื่นใดๆเป็นที่พึ่งอย่างไม่ถูกต้องนั้นเพราะถูกความกลัวบ้างถูกความหิวบ้างถูกภาษาต่างๆมากระต้บบ้างท่านจึงบอกไว้กับอักิทัตที่เป็นนักบวชที่เป็นพรามที่สอนเล่าลูกน้องของตัวเองบอกว่าเออให้ถือเอาภูเขานะท้องฟ้านะหรือพญานาคนะ เทวดานะหรือสิ่งมีชีวิตอะไรที่สิงสถิตยอยู่ตามอาคารเนี่ยแหะน ะ, จะเจ้าป่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยว่าอันนี้ให้เป็นสารณะให้เป็นที่พึ่งนะแล้วพวกท่านนี่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นได้เลยนะว่าอย่างี้คำว่าพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นนี่มันคือแอบ o l ล t e นะแอบส์ลุดนี่คือโดยสิ้นเชิงนะหมดทุกหมด ทุกอย่างเสร็จสิ้นเสด็จน้ําไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียวทั้งสิน้นทั้งปวงทั้งมวลทั้งนั้นเนี่ยคือแอบสุดแบบนี้ปรากฏว่าพอสอนกันแบบนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเหมือนทุกวันเนี่ก็มีบทนะบทนี่ก็คือคําสอนนะบทคําสอนให้บูชาเทพเจ้าองค์นี้แล้วก็จะมีคำปราชา์บลีให้สวด น, นี่วิธีบูชาเทพเจ้าห่งเจีย เชิญเทพให้เสด็จมาที่บ้านตงเวลานี้ใช้ของบูชาอย่างนี้ต้องประจุดถูกอย่างนี้ต้องหันทิศทางนี้โอ้โดนี่คือเหมือนอคกิตาเลยแต่มาฟังสอนวิธีการบูชาเราเทพเทวดาอย่างไงอย่างไงคำสอนเขาเนี่ยสุดตรงไปถึงว่านี่แหละจะเป็นที่ที่ให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ จิตของมนุษย์มักแล่นดิ่งไปสุดตรงแบบนี้ตีสอนอย่างนั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นถูกภัยคุกคามแล้วไงจึงถือเอาสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นว่าเป็นที่พึ่งทีนี้พอพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าโนโนโนโนนัททิเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าเนี่ยสอนให้เราไตรตรองคิดพิจารณาแบบนี้นะ ที่พื้นของพระเจ้าไม่มีประวับบไม่มีเบืบองหเราก็เลยจะปฏิเสธไปเลยว่าหมายละฉันไม่เคารพนับถือบูชาละคิดอย่างนี้มันก็ผิดเองเหมือนกันเพราะว่าคำสอนของท่านบอกว่าบูชาจากปูชนียานังคือบูชาบุคคลที่ควรบูชาทาไมเราจะบูชาไม่ได้อะสมุทรตะ า, าุฟังจะบูช า, าเาวีสุวรรณ จะบูชาพญานาคบูชาพระอินบูชาจตุการรามเทพเอาวันเนี้ยคุณไปที่ทํางานเจอผู้ใหญ่ในที่ทํางานคุณยกมือไหว้เขาปะหรือไม่ต้องอะไรมากวันนี้เราไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปเจอคุณลุงคุณป้าอาเจกอามาอาอึ้มอ่ะอ่สวัสดีครับอาเจกครับคุณลุงคุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมยกมือสวัสดีกันคนไทยเราก็เป็นอย่างนี้เอาแล้วนี่ก็สวัสดีทักทายเขาเนี่ ก็เป็นการบูชาในความที่เอิร์ท่านเหล่านั้นมีอายุมากเป็นผู้ที่เกิดก่อนการมาก่อนเราก็ทำความเคารพในฐานะที่สมควรท่านใจคำนี้นะทำความเคารพรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่าบูชาคนที่ควรบูชาทำได้ตั้งบุฟังทาได้แต่อย่าเอาเป็นสารนะ อย่าเอาเป็นที่ปึ๋งถ้าเราจะบูชาเทพเจ้าเฮงจียเทพเจ้ากุลอูพญานาฤาษีทาเวสสุวรรันณท้าสกาัเทว ร, ราชนี่ไหลไปหมดเลยนะเนี่ยจนถึงจตุคามรามเทพเลยบูชาในฐานะที่ควรบูชาได้ทั้งบูฟังอย่า ง, งมงายนะงมงายคือเอามันสุดตรงเลยว่านี่ ฉันจะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้โดยการบูชาท่านกิดปิดแล้วยา่าศาสนาเราจะเศร้าหมองแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบดูถูกดูแคลนติเตียนตำหนิด่าว่าเฮ้ยอย่างงั้นมันก็ไม่ทูกผิดมักด้วยแต่เคารพกันนับถือกันบูชากันตามฐานะที่ควรเป็นถ้าวพิส่วนนี้คุณนับถือเขาไปาอะไรโอ้จะเป็นคนมีศีลนะ เป็นอุบาสก อ, อะ่ะอุบาสกก็เป็นคนที่มีศีลนะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอ้จะว่าเป็นรุ่นพี่ก็ได้เออเคารพในฐานะนี้จะดูคำราะมะเทพปูนเคารพในฐานะอะไรเป็นพรหมนี่อ๋อพรหมก็ต้องมีเมตตากรุณามุ้ิตาอุเบกขาสิเอาคุณธรรมของท่านเนี่ยคือเมตตากรุณามุ้ิตาอุเบกขามาตั้งไว้ในใจของเรา การบูชาทำอย่างนี้นะบูชาเนไม่ใช่ว่าอามิสบูชาหนิต้องมีหัวหมูเราต้องมีหัวไก่ล้วก็ต้องมีหัวเป็ดด้วยเอา้าคือมันมาทั้งตัวแหละไก่และเป็ดอ่ะทั้งตัวด้วยหัวมันด้วยเนี่ยบางคนบอกว่โาโหสัตว์พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาผลไม้เอาผลไม้ส อ, องเท่านี้จุดทุกสองเท่านี่พิธีกรรมสองเท่านี่เราพิธีกรรมเนี่ยเอาง่ายๆเอาห้าแสนพอพิธีกรรม แล้พพิธีกรรมเสร็จจบอกขออ่อนวอนขอร้องมันปิดหลักการเลยกูคุณพียงจะเอาอามิตรเหล่านั้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนครับของอื่นๆมันมันติดสินบนปะก็จึงใช้คำว่าแก้บนไงโหลูกช้างขออันนี้นะขอให้สอบผ่านนะแล้วก็ให้เดิเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็ขอให้ขายดีๆนะขอให้ทำยอดได้นะพอทำยอดได้แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอามิทธ์ไปบูชาเขาเรียกว่าแก้บนไง บางคนเนี่ยก็กวิ่งแก้บนบางคนนี่ก็ทําอะไรเสี้ยงอย่างนี้นอ่งแก่บน่ไอ้แก้บนมันก็เป็นการอธิษฐานที่ผิดหลักหละซึ่งกัปปเจ้าได้เคยพูดถึงวิธีการอธิษฐานที่ถูกหลักไปเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือทำไปฟังไปตามฟังตอนนั้นก็ได้เอาลักการตรงที่ว่าถ้าเราจะต้องมาแก้บนเนี่ยก็มันคิดไม่ถูกแล้วคิดไม่ถูกตั้งแต่แรกที่ว่าทุกอย่างมันจะสําเร็จได้เป็นการอ้อนวอนขอ ร, ร้องแต่ว่าให้อธิษฐานตั้งจิตให้ถูกใช่ปะในการสร้างเหตุ ส่วนการบูชาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ในช่วงของใตร้ร่มโพธิบทเรื่องของมงคลในส่วนของการบูชาที่ถูกเนี่ยคือเอาคุณธรรมของคนนั้นที่เราต้องการบูชานั้นเทพเจ้าองค์นั้นบุคคลคนนั้นมาตั้งไว้ในใจของเราถ้านผู้ฟังคิดว่าทเทพเทวดาที่าอยู่บนสวงสวรรค์นเนี่ยนะ เี้พรจ้าเสือบางเจ้าแม่องนั้นบางเจ้าพ่อองคนี้บ้างคือคนที่ตายไปแล้วแล้วเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยก็คือเป็นเทวดาในชั้นใดชั้นหนึ่งในสวรรค์หกชั้นหรือชั้นปรมก็ตามจุดุคาม ร, รามาเทพท้าวเวสสวรร์เหล่านี้ท่านจะมากินของที่เราออฟเฟอร์ของที่เรามาเส้นไหว้หรอไข่เอาดูหรือน้ำแดงเอาโดหรือจะมากินหัวหมู เฮ้ยผลไม้เอาผลไมด้ดีๆจากต่างประเทศคัดสรรมาอย่างดีเลยไม่หรอกท่าูฟังสิ่งเหล่านี้มันเป็นอามิ t h เอาแล้วถามว่าจะบูชายไงให้ท่านเหล่านั้นพอใจถ้าท่านเหล่านั้นจะพอใจเพียงแค่ว่าคุณมีของมาออฟเฟอร์มีของมาบูชาคือคือกระจอกมากแล้วมันไม่ใช่ละไม่ถูกละแต่บุคคลเหล่านั้นท่านจะมีความยินดีจะมีความพอใจ ที่ว่าได้นําเอาคุณธรรมของท่านของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาประดิษฐานตั้งไว้ในจิตใจของเราต่างหากบูชาแบบนี้บูชาเทพเจ้ากวนูเพราะอะไรโอ้แต่มีความซื่อสัตย์ท่านมีความเป็นป ร, ราดิ์เก่งทั้งบูและทั้งบุญมีคุณธรรมสูงเอาคุณธรรมนั้นมาตั้งไว้ในใจของเราบูชาพญานาคเพราะอะไร โอ้เป็นคนที่มีศรัทธามากๆเลยนะศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะไม่ใช่ศรัทธาแบบมงมงายนะโอเคเอาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามาตั้งไว้ในจิตใจของเรานั่นแหละบูชาแล้วเข้ารบกันแบบนี้คือไม่ใช่ว่าดูถูกดูแค้นปฏิเสธอะไรไปเลยนะสุดตรงข้างหนึ่งนะจิตใจของมนุษย์ระวังจะไปทางนั้นอย่าไปทางนั้น อย่าไปทางที่จะดูถูก ด, ดูแกลนทั้งอย่าไปในทางที่จะนับถือเป็นที่พึ่งแต่ให้มีการเคารพมีการบูชากันตามความเหมาะสมแล้วเอาประพุทธประธรรมและประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเอาพุทธโธัมโมสังโฆเป็นสารณะเป็นนาถะ โทเมนาโถธ ร, รมโมเมนาโถสังโคเมนาโถ ท, ที่พึ่งอื่นไม่มีที่พึ่งอื่นไม่เอานัทีิเมสารนังอันยั่งมีแค่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วุทธโธธรรมโมสังโค ที่พึ่งเท่านั้นที่พึ่งที่ไปสู่แห่งจิตของเราให้มีความมั่นใจนะตัมบูฟังนี่เราจะเสริมความมั่นใจคือศรัทธาแม้แต่ข้าพเจ้าเองนะตัมบูฟังนะคือประสงค์ทุกรูปอะตัมบูว่าจะให้แบบญาติโยมมาศรัทธาในตัวเองเนี่ยแค่คิดแค่นี้ก็ผิดแล้วตูฟัง ในตัวบุคคลนะว่าฉันเก่งอย่างนี้ฉันทำอันนี้ได้แค่คิดแค่นี้เป็นการปริทุสรายสกุลแล้วนะคือให้คนอื่นเนี่ยตั้งศรัทธาไว้ผิดทีคือตั้งในตัวบุคคลแต่ศรัทธาที่ถูกศรัทธานี่หมายถึงความมั่นใจนะจิตของเขาเนี่ยต้องมีทางไปคือสาระไปสู่ที่ที่จะมั่นใจได้ว่ามันไม่ผิด ที่ที่มั่นใจได้ว่าจะเป็นที่พึ่งที่ที่มั่นใจได้ว่าจะเป็นหลักชัยที่ที่มั่นใจได้ว่าจะพาไปถูกทางนั้นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงต้องมาอธิบายกันตรงนี้ต่อว่ะพระพุทธเนี่คืออะไรมางคนบอกนี่ยว่าพระพุทธรูปไงท่านพระโธเนี่ยปรางมานวิชัยเลยนะนี่สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยนู่นนะ่ะนี่ไงพระธรรมท่านเอาโธอยู่ในตู้นี่เต็มเลย มีตั้งภาษานี่แหละกับภาษานั้นแปลมาหมดเรียบร้อยแล้วเพิงอัตคกถาด้วยน ะ, ะพระสงค์ก็นี่ไงก็ทถินโกนผมผมเลืองอยู่นี่ไงไปบินาบาจุทุกเชา้าทุกเชา้ชานี่ใส่บายจุทุกวันทุกวันเนี่ยยกมือไหว้มั บ, ม, บมับอยู่นี่นี่ก็พระสงค์ไงโอ้ยมันผิวเผินมากทีมาฟังแล้วเอาเอานู่นเนี่ยว่ารังอ่ะสูงสุดน่ะอื่นไม่นะนัทถิเมอัญยางนะ พูดโทเมวะรังนะพระพุทธนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่ว่าพระพุทธรูปนะท่านฟังเพราะว่านั่นมันอิฐหินปูนสายนะ่ะโลหานะคือจะเอาสิ่งอะไรมาทำเปรียบเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้คือเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยท่านบอกไว้อยู่แล้วมีข้อมูลมาในอังคุตรนิกานี่ย บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้คือเปรียบไม่ได้คือพุทโธคือพุทโธแล้วคือจบเลยอย่างอื่นจะมาเปรียบปั้นี่คือพุทโธนะไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลื่อยกุญแจาเรซินเอาพลาสติกหรือเอาโลหะเนี่ยม า, มาปั้นปั้ น, นอย่างนี้นะนี่นี่ น, น, นี่คือพระพุทธเจ้า no no ไม่ได้ไม่ได้ต่อให้รูปเป็นอะไรก็แล้วแต่นมันก็คือ เป็นเป็นไร้สิ้นอยู่เป็นพลาสติกอยู่นะเป็นโลหะอยู่นะอา้าต่อให้ทำในสมัยไหนด้วยช่างแบบใดๆก็ตามซึ่งมาภายหลังทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่แล้วเลยแล้นั่นคือแบบพยายามจะมาเปรตแต่ไม่ใช่นะหรือต่อให้แบบเป็นเป็นหนังพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าเนื้อท่านเลยเนี่ยถ้าเรานัง่งทำแมชชีนย้อนกลับไปจนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลยอะ นั่นก็ยังไม่ใช่พุทธโธในความที่เป็นพุทธโธในความหมายที่เป็นพุทธโธเมวรังนะตัวงบังเพราะว่านั่นก็ยังเป็นท่าสีดินน้ำไฟลมอะ่ะก็ไม่ต่างจากท่าสีในตัวท่านปรส า, ารีบุตรไม่ต่างจากท่าสีในคนเขีนใจไม่ต่างจากอะไรอากาศอยู่ข้างนอกอาหารที่กินเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปอุจจาระที่ถ่ายออกมาก็เหมือนกันนะตัวงบังคิดว่าอุจจาระที่ออกมาของพระพุทธเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์กว่าของคนอื่นๆเนาะ อันนี้ขอโทษนะแต่หมายถึงว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลนะดูฟังก็น้ําก็ท่านกินก็กินน้ำก็ก็น้ําก็ที่เรากินเหมือนกันอ่ะอาหารไปบินใบาตก็อาหารเดียวกันก็ที่ใส่ในบาตรปาอื่นเหมือนกันอ่ะก็อาหารที่เรากินก็กินเหมือนกันอ่ะอากาศก็หายใจด้วยอากาศนี้เหมือนกันอ่ะหายใจเข้าหายใจออกก็ท่าสี่เหมือนกันก็นั่นก็คือท่าสี่ไงท่านฟังนั่นก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้านะในความหมายที่ว่าพุทธเมสระนังวรังนี่ แต่พุโทโธในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้พุโทโธเนี่จึงหมายถึงผู้รู้คืออาการที่รู้ขึ้นมานี่แหละคือพุโทโธซึ่งหมายถึงในจิตใจ ไ, ไงท่งานังจิตใจที่ตื่นรู้แล้วนั่นคือพุโทโธเอาตรงนี้เอาตรงนี้ฟังแล้วมันต้องซึ้งเลย คุณอื่นๆมีพระมหาคัพพินาเสลพรามอุปติสสปริภาโชคเหล่านี้พอได้ฟังบทว่าพุทโธเนี่ยนะอึ้งไปเลยท่านผู้ฟังอึ้งตาแตกฮะพุทโธอุบัติขึ้นแล้วหรือนี่ความรู้ที่แบบว่าจะได้เกิดแบบรู้ตื่นรู้จริงๆนะพุทโธจริงๆนะ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาที่บอกว่าก็เหมือนระฉันไปกินข้าวฉันไปแบบทางสรรพสินค้าฉันก็ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดได้มีทุกวันทุกวันนะราวัง น, นะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนานๆเนี่ไม่ใช่ว่าสิบปียี่สิบปีหรือร้อยปีหรือห้าร้อยปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะอโอ้โหเป็นโกรธกับนู่นนะถึงจะมีสักสักครั้งได้แล้ว มีครั้งหนึ่งอาจจะอยู่หลายร้อยปีก็ อ, อาจจะอยู่หลายพันปีแต่ไม่ได้อยู่ตลอดโปรโมชันนี้มีหมดอยู่ตอนนี้มีอยู่โปรโมชันนี้คือพุทโธมีอยู่พุทโธ ท, ที่เป็นที่พึ่องอันสูงสุดเนี่ยจึงหมายถึงตรงนี้เตหฟังคือการตรัสรู้ธรรมโมเมสรนังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่องอันเบะเสริจของขา้าพเจ้า พระธรรมนี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในตู้พระไตรายปิฎกเป็นหนังสือเป็นซีดีแจ็อ่ะนี่มีธรรมะอยู่ในตูน้นี้ในหนังสือนี้อ่าเดือนนี้เขาส่งลายฮะส่งลายตะดึงตะด ง, งขึ้นมานี่ย น, นี่ธรรมะนะส่วนธรรมะให้อ่าส่งวิดีโอให้ส่งคลิป youtube ให้โอยนั่นจะเป็นพระธรรมได้ไงมันก็แค่ตัวหนังสือมันเป็นสือ่อสื่อนั้นถ้าคุณจะใส่อะไรลงไปก็ได้อ่ะ อย่างเขาจัดทําสื่อเนี่ยสื่อล่าโม ก, ก็มีอ่ะโฆษณาขายของนี่ก็เป็นสื่อเหมือนกันอ่ะขายอะไรขายเว็บพนันอ่าขายเกมออนไลน์เออขายอะไรที่มันจะเสพติดอ่ะขายของก็สื่อเหมือนกันอ่ะตัวมาทาง youtube ได้เหมือนกันมาทางหนังสือมาทางซีดีได้เหมือนกันเออธรรมะเขาก็เอาโน่นมาใส่ธรรมะเหมือนกันเราจะบอกนี่จะเป็นธรรมะเหรอคือมันไม่ใช่แค่นั้นไงเราต้องละเอียดรอบคอบพวกนี้นะ ก็มันจะเป็นวัตรังไงแล้วก็อย่าไปเบลอเอาว่างั้นสิ่งที่ฉันจําได้ไงนี่จําได้นะประธรรมเป็นงนี้ฉันท่องบทสวดมนต์เริงต่างได้ด้วยนะเอออิติปิโสปะกาวาสวาขาโตนั่นแล้วก็สุปฏิปันโนนี่บทพาหุงบทชยัมงคลคาถาบทสวยอะไรฉันจำได้หมดท่องได้ด้วยไอ้ที่ทําที่ท่องเนี่ยอยู่ในสมอง มันก็ดีอยู่จำฟังแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่วะรังเนะี่ยยังไม่ใช่ที่สูงสุดเนะี่ยยังไม่ใช่ที่ที่จะเราเป็นหลักใช้ได้นะแต่ธรรมโมเนี่ยหมายถึงองค์ความรู้จมฟังคือพุทโตหมายถึงการตรัสรู้ใช่ไหมตรัสรู้ด้อะไรด้วยธรรมโมนี่ไงคือองค์ความรู้นี้สวาขาโตพระกวาตาธรรมโมสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ เป็นตัวองค์ความรู้เนี่ยที่จะทำให้พ้นทุกได้จริงเนี่นี่คือธรรมโมตรงนี้องค์ความรู้นี้ที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้มันต้องอยู่ในจิตใจของบุคคลไงไม่ใช่อยู่ในสมองจําได้เฉยไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือสือส่ออะไรก็ตามนั่นยังภายนอกมากๆเลยอยู่ในสือ่ออะไรก็ตามนั่นคืออยู่ภายนอกหนังสือไม่ต่างอะไรกันกับซีดีอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรก็ตามนั่นคือชั้นนอก ชาในเข้ามาอยู่ในหัวสมองจำได้นั่นนี่นั่นก็ยังยังไม่ลึกที่สุดลึกที่สุดนี่คือองค์ความรู้ที่จะต้องอยู่ในจิตใจของบุคคลจิตใจของคนที่เอามาทำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นพุทธโธขึ้นมาได้เกิดการตรัสรู้ขึ้นมาได้ธรมโมนี่หมายถึงอะไรธัรมโมคือองค์ความรู้คือคําสอนที่นำมาใช้ได้จริง ให้พ้นทุกได้จริงนำมาใช้นั้นคือเอามาอยู่ในจิตใจของเรานั่นคือธรรมโมสังโฆเมสรนังวรังสงจำบูฟังสงเนี่ยแปลว่าหมู่สังคโฆสังคโฆนี่นะแปลวะ่าหมูไม่ได้แปลว่าพระนะพระภิกษุเนี่ยก็ใช้คําว่าภิกษุไงแต่เราบอกว่าสงเนี่ยคือหมู่ มูไหนอ่ะก็แต่เราบอมูพิสูจน์ก็บอพระพิสูจนสงไงสงนี่จึงแปลว่าหมูไม่ได้แปลว่าพระมูคือสงไม่ใช่มูอะไรใครก็ตามแต่มูแห่งผู้ฟังคําสอนก็เรียว่าสาวกะสังโคสาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคําสอนไม่ใช่มูแห่งผู้ฟังคําสอนของใครๆก็ได้ในที่นี้เราลองพูดถึงพุโทโธธรรมโมอยู่นะก็ต้องเป็นหมูแห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนคือธรรมโมใช่ไหมล่ะคำสอนของบุคคลที่สอนไว้คือพุโทโธไงเขาจึงเรียกว่าภะกวะโตสาวกสังโฆไงภะกวานี่คือหมายถึงผู้จำแนกแจกธรรมคําว่าภะกวะนี่จึงมีพุโทโธและธรรมโม อ, อยู่ในนั้นอยู่แล้วเลยพุโทโธธรรมโม อ, อยู่ในภะ ก, กวะภะกวโตสาวกสังโฆคือเอาโมแห่งผู้ฟังคําสอนนี้ เราก็ไม่ใช่เอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือธรรมโมอันพระพุทธเจ้าคือพุโทโอประกาศไว้ทั่วๆไปก็ได้นะไม่ใช่นะไม่เว่าใครฟังแล้วก็จะเอาคนนั้นนะ่ะสังโวในติณีไม่ได้ไหมายถึงนี้นะแต่หมายเอาเฉพาะคนที่ฟังแล้วแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะเพระจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆพูดย่อๆว่าสังโฆคือหมู่ต้องสเปกแบบนี้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ถ้าลำพังเราจะเพียงดูว่าอเนกโณผมผมเหลืองอาเป็นพระสงฆ์แล้วจะบอกว่า น, นี้เป็นสุปฏิปันโนปะกะวาโตสาวะกะสังโฆเท่านั้นดูโดยเท่านั้นยังไม่ได้หรือจะบอกว่าเอ้งั้นสังโฆหมายถึงพระอย่างเดียว ก็ไม่ใช่เอาล้วถ้าคาราวะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบล่ะก็ได้เหมือนกันในนี้ไม่ได้ระบุเลยคําว่าภิกษุไม่มีเลยนะสงในที่นี้จึงหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่ว่าเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวย่าไปติดแค่ตรงนั้นคําว่าพระสงฆ์ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงภิกษุนะไม่ใช่หมายถึงเอาภิกษุอย่างเดียวแต่คาราวะก็ได้จริงๆแล้วจะผู้ชายผู้หญิงจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชรา ถ้าเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนั่นคือสงฆ์นะทีนี้ในที่นี้จึงหมายถึงเอาการปฏิบัติเนีุกท่านฟังไม่ได้เอาตัวบุคคลเพราะว่าถ้าการปฏิบัตินี้ไปอยู่ในคนใดคนนั้นก็คือเป็นสงฆ์ไงจึงไม่ได้หมายเอาบุคคลว่าตรงคนแก่คนชราเด็กปู่ใหญ่อยู่คนผมผมเหลืองหรือไม่ไม่ได้มาเอาคนนั้นแต่เอาหมายเอาการปฏิบัติส่วนที่เราเห็นว่าคนผมผ ม, ผมเหลืองเนี่ยคือเป็นสมมุติ สมมุติอันหนึ่งบ่าอันนี้เป็นพระภิกษุนะอันนี้นุ่งขาวเนี่ยโกนผมอันนี้แมชีนะทำไมโกนผมนี่อุบาสกอุบาสิกานะอันนี้สมมติเอาก็เรียสมมุติสงฆ์แล้วก็ไม่ได้หมายถึงเอาการปฏิบัติที่บอกว่าของใครที่เขาทาดีแล้วจนเขาบรรลุปเป็นพระอระหันต์พระอนาคามีสัทขะามีหรือโสตบันมันก็เป็นพระอริยสงฆ์แล้วก็การปฏิบัติของท่านของบุคคลต่างๆเหล่านั้น แต่สงหมายถึงการปฏิบัติเนี่ยเจาะจงเอาถ้าว่ารังเลยนะแบบสูงสุดเลยคือการปฏิบัติของตัวเราเองการปฏิบัติของตัวเราเองที่อยู่ในจิตใจของเราเองเป็นมโนกรรมวระจีกรรมกายกรรมออกมาเอาการปฏิบัติตรงนี้คนหนึ่งก็ทำดีก็ดีล่ะใช่ละ่ะแต่ก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอรยมมิยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่ง เห็นแล้วเออเรามีกำลังใจไอ้กำลังใจที่เรามีมาจากอะไรเออก็มาจากการปฏิบัติของเราไงคนใาคนหนึ่งเขาเห็นแล้วเขาไม่มีกำลังใจมันก็มีใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าจิตใจเขาไม่ได้มีศรัทธาเขาจึงไม่มีกำลังใจการปฏิบัติจิตใจเขาไม่ได้มีมโนกรรมในศรัทธานั้นมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรามีศรัทธาสังโฆจึงเป็นศรัทธาไงทุกฝังธังงมโมจึงเป็นศรัทธาไงทุกฟัง พุโทโธจึงเป็นศรัทธาไงระวังคือความมั่นใจความมั่นใจในภายในแล้วจะเกิดกำลังใจกำลังใจให้สำเร็จได้ทุกอย่างนะถ้าเราคิดว่าเากกอารวยการออนมอกนรอร้องเนี่ยฉันกจะสำเร็จงานนั้นงานนี้โน no, คุณคิดผิดอย่าคิดไปทางนั้นหรือถ้าเราจะเอาท้องฟ้าภูเขาป่า พระเจ้าองค์นั้นองค์นี้เป็นที่พึ่งนั่นก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมเพราะว่าถ้าเราเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่สามารถพ้นจากความทุกนี้ไปได้เพราะศาสตร์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมแล้วคุณจะยังเอาผู้ที่ไม่พ้นจากกรรมมาเป็นที่พึ่ง ก็ยังไม่พ้นอยู่นั้นแหละเราจะไปทางที่เหนือบุญเหนือบาปได้ต้องไปทางบุญนะท่านผู้ฟังบุญที่มันจะสูงสุดเนี่ยคือบุญของพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่บุญอะไรที่พึ่งอื่นที่มันยังมีความเศร้าหมองมีบุญอยู่สมมติเรบูชาใครก็ตามอ่ะบูชาเทพเจ้าบูชาพระอินทร์พระพรมได้บุญคุณตื่นขึ้นมาคุณไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้บุญคุณขับรถออกจากบ้าน มีคนก็มาขอทางขอทางแบบปาดหน้าม่ไดปอยไฟเลี้ยวงเงี้ยเอาให้นั้นเราก็ได้บุญมาถึงที่ทำงานแล้วเอายกมือไหว้ผู้อาวุโสเจ้านายบ้างรุ่นพี่บ้างนั่นก็ได้บุญหมดอะหรือแม้แต่เอาอาหารให้สุนัขเนี่ยเราก็ยังได้บุญนะระวังจะไปทางดีทางสูงได้ต้องผ่านมาทางบุญแต่ยังไม่สุดจะให้บุญจนสุดเหนือจากบุญขึ้นมาอีก เหนือบุญเหนือบาไปเลยนี่ต้องประบุตจิประธํามประสงค์นี้เท่านั้นแบบวรังอ่ะคือไม่ใช่ภายนอกห่างๆทั่วๆไปแต่ภายในความรู้พุทธโธของเราธํามโมองความรู้ที่อยู่ในจิตใจเราสังโคการปฏิบัติปฏิบัติชอบในตัวเราเอาตรงนี้ แล้วคนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะทุกฝังให้มั่นใจอย่างหนึง่งว่าเราต้องมีบุญแน่นอนถ้าบุญไม่พอบุญไม่ถึงเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้นะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตหรือสัตว์นรกแล้วจะมาพูดมาคุยมาฟังมานั่งมายืนอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกนู่นไปแล้วมาไม่ถึงเพราะบุญมันไม่ถึงแต่การที่เรายังได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้ ฟังเทศฟังธรรมเข้าใจกันได้เนี่ยคือบุญถึงแล้วคุณบุญถึงคุณก็ใจไหมคุณบุญถึงบุญเรามีแล้วแน่นอนเม่างเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบดญมันก็ทุกบ้างมันก็มีสุขบางก็ตามกระแสตามภาษาของมนุษย์จะมาละเพราะเรานึกถึงบุญข้อนี้วเว อ, อเราเกิดได้มาเป็นมนุษย์ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้า พอเป็นพระพุทธชา้าเนี่ยคือเรายังได้รู้ถึงกระแสของพุโทโธมันยังมีอยู่นะเพราะคําสอนที่ยังดีเป็นธรรมโมมีอยู่บุคคลที่ยังปฏิบัติดีบัติชอบเป็นสังโคมีอยู่เอามันยังมีกระแสของพุโทโธธรรมโมสังโคอยู่นะที่นี่เวลานี้ตอนนี้นะ่ะยังมีอยู่นะมีอยู่แล้วด้วยบุญข้อเนี้นะบูฟังเอาเราเคยตั้งจิตติสานเอา อธิษฐานอะไรกัอย่างเช่นว่าจะให้สอบได้จะให้ขายของดีหรือใช่เลื่อนตำแหน่งก็เอากำลังใจจากตรงนี้มาอธิษฐานคือคิดที่จะสร้างเหตุแห่งการที่จะให้ได้เลื่อนตำแหน่งสร้างเหตุแห่งการที่จะได้สอบผ่านสร้างเหตุแห่งการที่จะได้ค้าขายดีสร้างเหตุแห่งการที่จะได้ประสบความสาเร็จนั้นๆ ๆ, ๆ เหตุแหการได้ขึ้นตำแหน่งเป็นยังไงเอา ต, อต้องมีความสามารถในการทำงานมีมุทิตาจิตมีปรมิหารสีอธิษฐานให้เรามีกำลังใจที่จะทําสิ่งนั้นนี่ืออธิษฐานสร้างเีตเหตุแหการที่จะค้าขายร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาเอาคุณต้องมีสัมมาวาจาคุณต้องรู้จักที่จะเก็บรักษาทรา์คุณต้องรู้จักคบเพื่อนดี คุณต้องรู้จักบริหารการเงินให้สม่ำเสมอให้เรามีกำลังใจที่จะทำอย่างนั้นสร้างเหตุอย่างนั้นเอาคุณจะสอบผ่านเนะเหตุาการสอบผ่านคืออะไรเอาคุณต้องขยันอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนไม่ขี้เกียจกี้คร้านเล่นแต่เกมแต่รู้จักบริหารเวลาให้ดีเอาเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งการสอบผ่านได้ให้เราด้วยบุญข้อนี้ตั้งอธิษฐานว่าให้มี กำลังใจกำลังใจในการที่จะลงมือทําสร้างเหตุแบบนี้เห็นในสุขภาพดีเหรอสุขภาพดีคุณก็ต้องสร้างเหตุแในความมีสุขภาพดีละการไม่ฆ่าสัตว์การที่มีเมตตากรุณากับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่คิดปรารถนารายไม่คิดปยาบายกับใครตั้งจิตกรัยมันได้เป็นอย่างนี้สร้างเหตุแบบนี้นี่คือการอธิษฐานด้วยบุญของเราที่เรามีตอนนี้ ด้วยพุโทโธธรรมโมสังโฆอย่างอื่นไม่เอานะอย่างอื่นไม่เอาเอาเฉพาะเท่านี้เท่านี้เป็นสาระเป็นนาถเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ที่เราจะไปหมายถึงให้เอามาประดิษฐานไว้อยู่ในท่ามกลางอกอยู่ในจิตใจของเราตอนนี้ โอธรรมโมสังโฆพุทโทธรรมโมสังโฆตั้งไว้ในใจิตใจของเราที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยใจิตใจแบบนี้ตูฟัง นี่คือศรัทธาคือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจคือความเข้าใจความเข้าใจคือปัญญาเข้าใจด้วยบทและภารยน์ชนะคือปัญญาโยนิโสมนสิการอย่างนี้ศรัทธานี้จึงเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุและผล เป็นศรัทธาที่มีที่ตั้งอาศัยเป็นศรัทธาที่มีปัญญามีศรัทธาและมีปัญญาเมื่อไหร่นะตูบฟังบูมเลยมันเป็นสองเสาหลักสองเสาหลักที่จะให้เรามีกำลังใจคือความเพียรในการที่จะลงมือทำไม่ใช่ศรัทธาแบบหัวเตาศรัทธาแบบพลุโปรโผลเดือก็ล่มเดยอกตั้ง ศรัทธาแบบงมงายดีแต่วอ้อนวกนอร้องไม่ใช่แต่นี่เป็นศรัทธาแบบลงมือทำทำจริงแน่แน่จริงหนึ่งคือความเพี่ยนลงมือทําจริงแน่แน่จริงด้วยศรัทธาประกอบด้วยปัญญาสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, น, นคืออะไรต้องหวังคือสติจที่เราระลึกถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ด้วยบทและพยัญชนะอย่างนี้นั่นคือพุทธานุสติ คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่วาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้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 เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือสวกากาตธรรมมีการกำหนดบทเพยยียญชนะและอัฏฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเฉิงเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผูร้รู้ก็ย่อมรู้ได้เฉพาะตนด้วยบทและพยัญชนะอย่างนี้นี่คือธรรมานุสติพอเรามีศรัทธาคือความมั่นใจในหมู่นะหมู่นี่คือสงฆ์ไม่ใช่หมูท่ทั่วไปแต่เป็นหมู่ แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติสมควรแล้วนั่นคือคู่แห่งบุคลคลสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบรุษเนนคือเหล่าโสดาบันจนถึงอรหันต์ทั้งมรรคและผลเป็นผู้ที่ควรแก่สักการ บ, บูชา ตอนรับให้ทานหวนทำอัญชลีด้วยบทและเพยียญชนะแห่งศรัทธาอันมีที่ตั้งอาศัยอย่างนี้ตูมฝังนี่คือสังขารุสติคือสติเกิดขึ้นไงมีพุทโทรธธรรมโมสังโฆประกอบด้วยศรัทธามีกำลังใจลงมือทำจริงแน่แน่จริงสติเป็นไงตั้งมั่นเลยเหมือนอย่างภูเขาหินเลย เหมือนยังเสาหินเลยปักไว้อย่างมั่นคงแหละมีอะไรมากระตุเป็นยังไงไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวความเป็นอารมณ์มันเดียวความนิ่งนี้นั้นคือสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นไงท่านบวชศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยด้วยบทและเพียรชนะอย่างนี้ทําให้เรามีกําลังใจคือความเพียร การระลึกถึงแบบนี้เป็นการระลึกถึงที่ชอบเรียกว่าเป็นสมาสติแวดล้อมจิตของเราอยู่เนี่ยจิตของเราก็เป็นสมาธิขึ้นมาสาัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นคืออินทรีย์ของเราตมฟังเราบ่มอินทรีย์ของเราให้มีความแก่กลา้าบ่มอินทรีย์ของเรา จากที่ยังดิบให้มันสุก ข, ขึ้นมาให้ใช้งานได้ขึ้นมาด้วยอินทรีย์ห้าที่ประกอบกันอย่างนี้ท่านบุฟังแก่กล้าแล้วเนี่ยจะทำให้การตรัสรู้ทำการบรรลุธรรมของเรารวดเร็วขึ้นมาได้ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนัตถิเมสรดังอันอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมเท่านั้น และพระสงค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทโธธรรมโอสังโฆเป็นสรณะของข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองทั้งหมเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดด้วยสัจจะบัชาข้อนี้ข้าพเจ้าปราตาณีทั้งหมทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จ พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตั้งอยู่ในทางมรรคเพื่อที่จะไปสู่ผลให้เป็นผู้ที่มีกําลังใจธรรมะอันใดความรู้อันใดที่กระเบียารู้ที่กระเบีชาเห็นสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าประรานาธิธรรมฝังนันใดมีส่วนแห่งความรู้นั้นธรรมะนั้นเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ที่ท่นได้ฟังจบไปนั้น คือช่วงของจิตตะวิเวในรายการธรรมรับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าคุรข า, ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆทาง YouTube c ช ANNEL Facebook Fanpage ก็สามารถติดตามรับฟังได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา ซึ่งมีข้พาพเจ้าพระมาหาไพบูณ์อภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิ ity ก็ได้ที่ปัญญา o r g p a n y a o r g แล้วพบกันใหม่ในวันปรุ่งนี้จุรปัน